ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปโพธิญาณในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะที่ทรงใช้คําว่าธรรมะที่ทําให้งามเป็นธรรมะที่เราค่อนข้างคุ้นๆกั น, กนถ้าหากว่าผ่านการศึกษาเราเรียนนักธรรมตรีมาแต่ว่าแปลกเป็นธรรมะที่ปฏิบัติยาก คือในหนังสือเราก็ว่านั้นท่านบรรจุไว้ในหน้าแรกเลยคือเริ่มจากท ร, รมีอุปการะมากสองประการคือสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำอันทำให้งามสองประการโดยด่น ว, ว่าความงามนั้นตามความนิยมในทางโลกแล้วมันก็มีประมาณสามสี่ระดับนะครับ รอดับแรกเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากเครื่องประดับตกแตง่งแล้วก็ได้รับการยอมรับนักถือว่าสวยงามแต่ความงามในระดับนี้ที่จริงมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเยอะแต่ระยะความงามนี่จะสั้นแต่ว่ามีการลงทุนสูงมีการใช้จ่ายสูงเรื่องประดับตกแต่งบางอย่างเราพูดสมัยนี้เคยอ่านอ่านเจอ ราคาเป็นแสนแสนะสยองเลยเรฟังแล้วนี่สยองมันถูกจำกัดโดยกาลเทศะจำกัดด้วยสถานะของบุคคลจำกัดด้วยเวลาจำกัดด้วยสถานที่จำกัดจากัดด้วยวัยของบุคคลด้วยมันเป็นความงามที่ฉาบฉวยเป็นความงามที่เกิดขึ้นจากค่ายมต่างๆแล้วก็ไม่ได้ข้อยุติ ว่าอย่างไรที่ว่าสวยงามหรือไม่สวยงามพูดง่ายๆว่ามันไม่สากลแต่ว่าคนไปทุ่มเทกับความงามในเรื่องนี้ออกมากความงามอีกระดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของสวดทรงสันฐานของบุคคลที่บาลีท่านบอกว่ามีผิวพรรณสวยงามมีเสียงไพเราะมีสวดทรง สมส่วนแล้วก็มีรูปงามเนี่ยเป็นความงามถ้าเรามองจริงๆแล้วมันเกิดจากการกําหนดเอาคือใจมนุษย์มันก็คิดคิดรุงเอาก็เป็นที่พอใจของคนนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะาลางเนื้อชอบลางยาเรานึกถึงว่านางงามทางแอฟริกาในบางคนอุปน้ากลัวเลยนางงามปากเป็ด นางงามอะไรแต่แม่แต่ว่ากระเหียนคอยาบ้านเราเนี่ดูแล้วก็น่ากลัวแต่ในแวดวงตร์เขาก็ถือเป็นความงามเพราความงามเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งแล้วก็คาดนิยมที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเราจะเห็นว่าคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับคนผิวดำผิวขาวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย ส่วนใหญ่คนผิวดำก็แต่งงานกับคนผิวดำก็แสดงว่าในความรู้สึกเขาก็คือสวยคือหล่อครับแตคนผิวขาวก็แต่งงานในหมู่คนผิวขาวนานเราจะเจอว่าแต่งงานค้ำผิวกันสักครั้งหนึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวตรัร่องความงามตรงนี้มันก็ไปตรงกับคำกรที่ท่านบอกว่า สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตรม้มคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวยะเปล่าปลายคือหาข้อยุติไม่ค่อยได้ว่าที่ว่านเป็นความงามจริงหรือเปล่าคนหนึ่งบอกว่างามคนนี้บอกว่าไม่งามเคยสังเกตนะฮะเรื่องเหล่าเนี้ยมันมันก็เป็นเครื่องมือในการมองธรรมะอย่างหนึง่งเคยสังเกตแม่นางงามจั ก, กรวาล แต่ตอนเลือกเป็นนางสาวไทยโอ้ก็โจมตีกันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไปอพอฝรั่งไปสแตมซาเป็นนางงามจั ก, กรวาลมาโอมันยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนยอมรักมันนั่นก็แปลกนะคือตาตัวเองก็มองไปแล้ววินิจฉัยไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่พอฝรั่งไปการันตีให้แต่นั้นเองทุกคนยอมสยบหมดแสดงว่าเอาก็จริงเราก็ตัดสินใจเองไม่ได้ เราให้ฝรั่งก็ตัดสินให้แล้วจึงเราจรึงรู้สึกว่าว่างามนะฮะแต่ถามว่าฝรั่งก็เห็นชอบทุกคนไหมก็ไม่กะนี่ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าในรูปร่างหน้าตาสูตรทรงสัญถานของมนุษย์เนี่ยแม้จะกําหนดว่างามแต่ก็ไม่ใช่สากลแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือไม่นานก็จะงอมหรือความแก่ชาราต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครบงับ คือาเรามองดูคนในยุคนี้สมัยนี้นะคือสมัยเราเป็นเด็กในคนอนาะยุห้าสิบกว่ามันแก่เยอะเลยนะพอเรามาหกสิบกว่าเราก็รู้สึกเราไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ก็เด็กก็ยังว่าเราก็ไม่เคยแก่เท่าไหร่แต่ที่จริงก็คือแก่ก็คือความชราเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถาวรไม่ใช่สาระแก่นสารของชีวิตแต่มันได้แสดงถึงกระบวนการของสังสารวัตร คือโดยเฉพาะอังนี้คือกระบวนการของกรรมที่นำคนมาสู่สังสารวัตรพอพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่เกิดมาพิวพรรณสวยงามก็ดีรูปสวยก็ดีเนี่ยอะไรต่ไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสรุปรวมว่าเป็นบุญญาณิธิเป็นคุม้มซั์คือบุญที่บุคคลเหล่านั้นได้สร้างไว้แล้วกรรมก็มาปรุงแต่งให้เกิดรูปสวยงามแต่ว่าพอปรุงมาแล้วรูปเองมาเป็นสังขารนะ ที่ต้องผ่านกระบวนการเลื่อนไหลของแก่เจ็ะตายในที่สุดคนก็เกิดแววมาถึงก็เลื่อนไหลก็สู่ความแก่เลยก็ไม่คงทนทาวนไม่ยั่งยืนจะต้องแปลผ่านไปตามปกติธรรมดาข้องามประการต่อไปที่ถือว่าเริ่มจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานสากลมันมันมันเป็นความงามที่หมายความว่าไปแสดงที่ไหนไปประพฤติที่ไหนเนี่ยมันค่อยไม่ค่อยมีปัญหา หรือเป็นที่ยอมรับของคนตั้งหลายนั่นก็คือความงามระดับศีลระดับศีลที่เป็นวางเป็นผู้ ด, ดีคิออยามันญาตสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนนิ่มนวลการพูดการจาเนี่ยแสดงถึงพื้นฐานที่ดีงามแสดงถึงการฝึกปรืออบรมมาดีพูดง่ายว่ามีความเป็นผู้ ด, ดีแล้วก็ไม่แสดงอะไรออกมาเป็นรูป กล่าวร้ายหรือทำลายเอาสั้นๆ ส, สองคำนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราจับหลักในอวาตปาติโมกที่บอกว่าอนุปวาโดอนุปกาโรโดอยยากล่าวรายจะทำลายได้มันเป็นความงามสากลเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องถ้าระดับทู่ระดับการเมืองนี่พูดประโยคเดียวกันเองโอ้เรื่องใหญ่เลยต้องถอนคำพูดต้องขอขมากันไดยนั้นแสดงว่า เราเนี่ยมันมันค่อนข้างสากลแล้วก็สังคมเองจะมีการตรวจสอบได้แล้วเขาจะเน้นไปในรูปของการให้คุณให้โทษสูงคือรูปร่างก็ดีเสื้อผ้าแพรพันก็ดีก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนีน่ยนะถ้าจะประกวดประขานมันก็อยู่ในแวดวงที่จำกัดแต่พอมาถึงมีสีลหรือไม่มีศีนี่กลายเป็นปัญหาภูเขาล่ะ แม้ว่าสังคมเองไม่ค่อยนำพากับศีลอะไรเท่าไรก็ตามนะแต่ลองสังเกตว่าคนที่ปฏิบัติบกพร่องระดับศีลไปประทุษร้ายต่อชีวิตเขาประทุษร้ายทรัพย์สินเขาล่วงละเมิดในทางเพศโกหกหลอกลวงเนี่ยเป็นที่ระอาใจเป็นที่เหนื่อยหนา่ายชิงชังไม่พอใจของคนทั้งหลายทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเลยเลยเพราะว่ามีกา ร, รสอนอย่างนี้อยู่ทุกาศาสนาตลเดาต้งพวกติ ติดสิ่เสพติดให้โทษต่างๆเนี่ยฮเราจะเห็นว่ามันมีความสา ก, กลทีนี้ถ้าพลิกอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคนเหล่านี้งดเว้นเอาขนาดงดเว้นนะนะไม่ไม่พูดเอาขนาดมีธรรมะเอาขนาดงดเว้นเนี่ยไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นไม่ละเมิดละไม่ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นไม่โกหกหลอกลวงพูดจา คำสัตว์คำจริงคำส่งเสริมสมคัคีประสานสมัคีกระชับสมคัคีคำไประอ่อนหวานแล้วคำที่ประสานประโยชน์คือได้สาระประโยชน์จากการฟังนี่ถือว่าเป็นความงามที่สากลรวมถึงการไม่เสพสิ่งเสพติดต่างๆนะฮะเวลานี้เป็นเป็นเรื่องแปลกก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจว่า หมายความยังไงอย่างข่าวต่างๆนะตัวรัฐนูญนียถ้ามีสูบุรี่แล้วก็จะนั่นเลยะก็จะทำเลยจะเลยจะเขียนบอกว่าบุรีเนี่ให้โทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดืมเล้าไม่เห็นเป็นนั่นเลยก็เป็นปัญหาที่น่าศึกษากันว่าเล้านี่มันเป็นคุณหรือยังไงจึงไม่ชี้แจงไม่อธิบายไม่ให้เหตุผลแก่บุคคลคือบางทีเนี่ยความคิด ขององค์กรของราชการเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจไอ้เขาคิดยังไงคือระบบความคิดทางพุทธเนี่ยมันต้องการเหตุผลเนี่ยพอไม่มีเหตุผลแล้วเราก็นึกไปบอกว่าทําไปทําอะไรมีเรื่องราวเป็นนันมากนะฮะ ท, ที่เราเห็นว่าเอ๊ะมันก็ไม่รู้จะทําไปทําอะไรทําไปทําไมมันได้อะไรขึ้นมาซึ่งบางครั้งบางคราวนี่การได้อํานาจเนี่ยมันก็ทําให้ เราเลืงได้แล้วโดยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆวันก่อนไปบรรยายให้ลูกเรือบริษัทการบินไทยเขาฟังพอดีมีระดับผู้นวยการมานั่งอยู่สามสี่คนเลยก็ประรบกันหน่อยหนึ่งบอกว่าคือไม่อยากใช้บริการเครื่องบิน แต่บางทีมันก็ไกลนะไม่ไไรู้จะทำยังไงคือมันตรวจบางทีในเด็กเล็กๆเนี่ยเรียกเราไปตรวจนะบางทีไปถึงดูหน้าตมาไม่เคยเจอนะแต่พระอื่นก็เคยเจอแล้วก็ตรวจหลักฐานว่าเราเป็นพระคนนะั้นองค์นั้นหรือเปล่าต้องออนเอกสารมาให้เขาดูฮะคือเราก็ตั้งปัญหาถามว่าบริษัทมหาชนในมีศักดิ์ศรีอะไรมาตรวจพระใช้สถานะอะไรคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่คุณไม่ใช่ผู้ปกครองพระถ้าคุณดูมีนศักดิ์รีของความเป็นพระด้วยคือในบ้านในเมืองเนี่ย ม, มันมีรัฐธรรมนูญอยู่นะฮะศักดิ์รีของความเป็นมนุษย์เนี่ยทําไมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยเราจะไปเราจะพกผ่าอาบุธเราจะทําอะไรก็ที่จริงเครื่องบินมันก็เหมือนกับรถเมล์เหมือนกับรถไฟมันก็รถโดยสารทั้งหลายนะก็พูดไปก็ก็ลงมาก็คุยกับผู้ในการเขาเขาก็บอกว่า เราพยายามจะไปแก้ไขแต่ว่าต่อมาอีกสองวันอ้ำมาก็ไปอุดรก็ยังเห็นว่ายังตรวจอยู่นะที่ดอนเมืองยังตรวจแต่ที่อุบล น, นี่แปลกดีอุดรเนี่ดีฮเป็นผู้ชายอา ย, ยุมากหน่อยอน้มาก็ส่งพัดปอดให้ดูเลยเกียเกียร์จะส่งหนังสือสุชิตประุัติทีของพระเนี่ยมันเป็นภาพถ่ายตอนบวชใไไหม่นั่นนะฮะแกไม่ดูแกบอกหลวงพ่อไม่ต้องดู เออมันต้องรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรบ้างอ่ะนะฮะอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ก็คือก็คือคือเราจะเห็นว่าความสำนึกภาคสนามเนี่ยไอคนสั่งเนี่ยบางทีมันไม่มีความคิดอะไรหรอก่พาได้อานาจก็สั่งส่งเดชไปอย่างนั้นเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองในมีหน้าที่บริการคนมาซื้อบริการของคุณเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นนายเขานะฮะคุณจะมาสวดอะไรสารพัดมากมายกลกออย่างนั้น นี่ก็คือก็คือประเด็นประเด็นที่แวะมานะประเด็นที่แวะมาแล้วก็ความงามประการเรื่องสีเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ตรงนี้มันเกิดอาการไม่งามนะเพราะอะไรเพราะไม่เคารพศักดิ์ศรีของกันและกันเราเป็นผู้ใช้บริการแนตะ่นั้นเองเป็นผู้ขายบริการนะคนมาซื้อบริการ แล้วเขากระจายเงินเต็มตามที่คุณต้องการนะฮซึ่งยังนึกไม่ออกว่าเป็นทิทฐิอะไรก็ต่อมาอีกสองวันนะำมาอ่านก็เจอเจอเมื่อวันที่สิบเอ็ดเนี่ยก็เจอข่าวว่าก็ปรารถนายกเลิกตัวดีให้ยกเลิกสะได้ก็ดีเพราะมันก็พิกลอะไรชอบกลนะฮะมันแสดงถึงการใช้อํานาจที่ไม่รู้กรอบของอํานาจแล้วไม่รู้สถานะของตัวเอง พนัก ง, งานบริษัทมาสวดสุดทธิพระได้เนะี่ยมาว่ามันมันก็แย่มากๆแล้วนะบ้านเมืองนี่ก็แย่มากๆแล้วว่าไม่มีใครมีศักดิ์ศรีที่ควรแก่การไหวหวังใจเลยหรื อ, อยังไงเขาเป็นพระแล้วก็ไปเดินไปเฉยๆกับพระเนี่ยยังไม่ไว้ใจบางทีเรียกไปดูหน้าเลยนะหน้าตรงกับเอกสารหรือเปล่าเอาไปงนั่นเองคือพระในตามปกติจะไม่เข้าไปเช็คอินเนะี่ยมันไปเบียดกับชาวบ้านก็จะให้เด็กเขาทา แต่ตัวเองก็ถือบาดขึ้นเครื่องไปแล้วนั้นเองแต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่รู้สึกอึดอัดมานานนะก็ไม่ก็อยากจะพูดแต่พอดีเขามีข่าวจะเลิกก็เลยก็พูดออกไปหน่อยแต่ความงามที่เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเราเห็นว่าความงามตรงนี้จะไม่ถูกจำกัดด้วยไหย จำกัดโดยการละเทศะบุคล ค, คลกลุ่มคนต่างๆแล้วถ้าคุณอยู่ในศีลแล้วคุณก็ดีทั้งนั้นเนี่ยหรือว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามแต่ว่าเนื้อหาสาระที่ทรงเน้นเนี่ยไปเน้นที่ขันติคือความอดกลั้นความอดทนเป็นความงามที่อยู่ข้างในแล้วคนเราถ้าควบคุมตัวเองได้โดยขันติโสระจะนะครับขันติเป็นปัญหาที่ตามปกติเรามักพูดในแง่ที่มันเกิดโทสะ เราถ้าจริงแล้วถ้าเราลองสังเกตทั้งหมดแล้วดูที่จิตเราอะนะดูที่จิตเราแล้วจะเห็นเลยว่าคันติที่จริงที่ทนยากที่สุดเนี่ยมันอารมณ์ของราคะ ก, กัลยาภะเนี่ยมันทนยากโทสะในบางทีคนมันตัวมันโตนะฮะเราก็อาจจะต้องทนเอาเพราะแนวคันติเมื่อเรามองโดยสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สีเรื่องใหญ่ๆความวิปริตแบบปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ มันมีแต่ทนกระทนนั่นเองแต่ว่าเวลาเนี้เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันบอกกล่าวข่าวคราวล่วงหน้าเราสามารถจะลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากภัยธรรมชาติต่างๆได้แต่ว่าจะหลีกหนีให้รอดพ้นไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อะนะเพราะพวกนี้มันติดมาโดยชีวิตของเรา ประการต่อไปก็คือความเหนื่อยยากลําบากตักตราในการฏปบติภารกิจการงานต่างๆเนี่ยต้องอดการอดทนเระบนเส้นทางสายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่คืออดทนเอาแต่นั่นเองแล้วการต่อไปก็คือเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นบรโลกภยัยไข้เจ็บเวลรนี้ที่จริงเนี่ยมันหมอการทางการแพทย์เี่ยเ ข, เข้าก้าวหน้าไปเยอะ มันมียาบรรเทาปวดมียาชาไม่ยาอะไรไปแก้ไขเอาไว้ก็ทําให้ลดแต่เรื่องที่เราจะต้องอดทนลงไปได้เยอะปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่อารมณ์อารมณ์ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคืออารมณ์ที่กระตุ้นให้รักกับให้ชังอารมณ์รักอารมณ์ชังเนี่ยจะอดทนได้ยากมากโดยเฉพาะอารมณ์ที่เกิดจากการด้วยยวนลดแรกแจ๊กแถนทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตว่าจะทนอยู่ไม่ได้ ส่วนมากคนจะแห่ไปและจะแห่เวลานี้มันจะมีทุกแห่งนะฮะจะมีการดลดแรกอยากแถมคือหมายความว่าอารมณ์ที่กระตุ้นราคะกับกระตุ้นโลภะเนี่ยจะต่อสู้ไดา้ยากตเรามองโครงสร้างของพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วนี่จะชัดเจนนะฮะเราเจ็นว่าทั้งภิกษุภิกษุณีระมัดระวังความเกี่ยวข้องทางเพศไว้สูงมากอยู่ในที่รับตาสองคนก็ไม่ได้รับหูสองคนก็ไม่ได้ เขานัดหมายไปตามที่เขานัดหมายก็ไม่ได้พูดกันเกินหกคำก็ไม่ได้อะไรอะไรเนี่ยเพื่อมันต้องการจะตักรกระแสตันหาซึ่งอาจจะทุนทับจิตใจของบุคคลเป็นเรื่องเราที่เรานามาใช้ในส่วนใหญ่เราพูดถึงโทสะเราลืมหว่าราคะนิทนยากมากกับโลภานิทนยากมาก แต่ว่าโทสะนี่บางทีก็อาจจะทนง่ายกว่าเพียงแต่ว่าเวลาท่านแสดงนี่ท่านแสดงเอเน้นไปที่โทสะหรือว่าอดทนต่อคนที่เสมอกันอดทนคนต่ำกว่าอดทนแต่พูดเหนือกว่าอดทนต่อคนเหนือกว่านี่จะง่ายอดทนต่อผู้ที่เสมอกันนี่จะยากกว่าแล้วอดทนต่อคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยอดทนอดทนยากที่สุดแสดงว่าเน้นไปแนวโทสะมาก แต่ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วราคากระกโลโลพาจะอดทนยากมากเมื่อมีการดัวยุเมื่อมีการยั่วย ว, ย ว, ยวนลอดด่อโดยผลประโยชน์ต่างๆแถมลดแลกแจกแถมต่างๆขึ้นมาแล้วนี่จะอดทนได้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีขันติในอารมณ์เหล่าเนี้ให้มากเพราะว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่ ถ้าเข้ามาทางนี้แล้วเนี่ยกระตุ้นให้โกรธกับยั่วให้อยากเนี่ยมันยุ่งเน่ยก็เรียกว่าครูให้กลัวก็ยั่วอยากอ่มาก็ชอบใช้คำนี้ว่าครูให้กลัวกับยั่วอยากเนี่ยมันเน้นที่โลภะด้วยกันคือราคาด้วยกันคูให้กลัวว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงั้นถ้าถ้าไม่ได้เราจะเสียใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงั้นนะถ้าได้เราจะดีอย่างงั้นอย่างงั้ น, นอย่างนั้นคือคือคูให้กลัวคูให้กลัวเพวื่อรีบ แสวงหาหยิบยืมเงินทองกูนี่ยืมสินก็มาซื้อวิธีการโฆษณาทั้งหลายเราตนะเกีเนี่ยการโฆษณาทั้งหลายนะจะออกมารูปคูให้กลัวกรยุ่ยใหยแต่คนก็ไปทึกทักนะฮะไปเข้าใจเอาว่าเป็นเรื่องจริ ง, ท, ง, ท, งทั้งๆที่มันไม่มีความสุจริตอยู่ในเรื่องของที่เขาํามาโฆษณาเชิญชว น, ชวนจกักชวนอยู่อย่างนั้น ทีนี้ลักษณะของขันติเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ดูอะไรไม่ได้หรืบางทีตาอาจจะมีประกายของราคะประกายของโทสะประกายของโลภะบางทีก็เรียกว่ามปีประกายตาที่คืนกระหายอะไรแต่อไรเนี่ยมันอาจจะออกมาแสดงว่าสงบใจอย่างไม่ได้หรือป ร, ประกายตาของความทุกข์โธ ม, มันนับ เวลาประสบทุกข์ภัยต่างๆหมดหวังหมดอะไรตายอยากอะไรเนี่ยอาการเหล่านี้มันมันมันแสดงถึงไม่เข้มแข็งที่อยู่ภายในเพราะทนบอกว่าต้องมีโสรัจัสุโสรัจัสนี้ท่านแปลว่า ส, สงบเสงี่ยมฟังค่อนข้างยากนะฮะ ส, สงบเสงี่ยมในหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าไม่มีกุริยาอาการอะไรที่ผิดปกติแต่ถ้าภายในใจเป็นยังไง พระในใจก็ว่ามีความช่ำชื่นแจ่มใสเบิกบานนะมีความช่ำชื่นแจ่มใสเบิกบานไม่มีร่องรอยของราคะร่องรอยของโทสะร่องรอยของความ ท, อทอ้อถอยร่องรอยของความกลัวร่องรอยของความท้อแท้เนี่ยร่องรอยต่อความขยะดอะไรต่างๆลงเยลืออยู่ภายใน ใ, ใ, ใจมีความองอาจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เพราะวคันตินี้เขาเป็นตบะนะฮะอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอวารปาติโมกข์นี ok ่ i, เป็นตะบะธรรมอย่างยอดเยี่ยมเพราะสามารถที่จะเผาทําลายขาจัดปัญหาอุปรสรรคอันตรายต่างๆได้โดยอาศัยความอดทนเนี่ยมันจะหยุดยั้ยงความผุนผันความลูอํานาจแก่อารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นเพราะความอดกันอดทนกับความสงบสิญี่ป์เนี่ยมันจะช่วยให้เราสวยงาม ที่เขาบอกว่าช า, ชายงามด้วยความรู้รดุวะงามพระน้ําเสียงหญิงสวยด้วยคู่เคียงสัตว์ของเลี้ยงงามพระพีพระจันทร์นัแจ่มฟ้างามสงา่าพระราตรีบรรปะชิตทั้งปวงมีถือขันตีงามพันดาราแต่หมายความว่าคนที่กล่าวขั้นต้นที่จริงก็ต้องมีขันติอยู่ด้วยนะมีขันติโสรุร จ, จักรอยู่ด้วยคนที่มีความรู้ถ้าขาดขันติโสรุร จ, จักรมันก็ไม่งามเหมือนกัน นะดูออางามเพราะน้ำเสียงเนะี่ยปเรื่องสัตว์ญิ้งสวยด้วยคู่เคียงเนี่ยคู่ควคู่เคียงดีแต่ตนเองตอนเองไม่มีคันติสร จ, จา๋ามันก็ไม่งามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความงามตรงนี้เป็นความงามสากล น, นะบางครัง้งบางคราวอย่างมีข่าวสมัยหนึ่งที่คุชชอบอดีต อะไรล่ะประธานาธิบดีของโซเวียตนะสหภาพโซเวียตยกโตขึ้นถุบที่องค์การเดประชาชาติเดีย๋ยวโอลือระบือลัอลอล่นไปเลยทั่วโลกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะขาดการควบคุมตัวเองดังนั้นคุณธรรมทั้งสองประการนี้จึงเป็นทั้งภาวนาประธานคือเรื่องที่จะต้องเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็อนุรักษณนาประธานก็ต้องพยายามรักษาไว้แล้วยามสร้างความเข้มแข็ง จนกายเป็นภูมิจิตเป็นภูมิธรรมแล้วครองชีวิตยังมีภูมิฐานไม่อ่อนไหวไปกับกระแสอารมณ์ที่กระแทกกระทั่งกระทุง้งก็เรียกว่าไม่กระเทือนนะฮะแม้แต่บางครั้งบางคราวอยาตุกกระทำก็จะไม่กระเทือนกันติกับโสระจะจึงเป็นธรรมะที่ให้ความงามสากลที่จริงเริ่มสากลมาสีนี่ก็สากล น, นะฮะสีนี่ก็สากลแต่ว่าความงามเสื้อผ้าแพรพันไม่สากล ความงามในรูปร่างหน้าตาก็อย่างนั้นอย่างนงั้นแหละไม่ใช่สากลแต่ความงามระดับเสียงกับระดับคุณธรรมภายในใจเนี่ยว่ากันตามความเป็นจริงคุณธรรมทั้งหลายมันก็สร้างคนงามทั้งนั้นแหละไม่ว่าข้อใดก็ตามเด็กแต่ว่าในการรับอารมณ์สัมผัสอารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะเนี่ยขันตีกสรุร จ, จักือความอดกลั้นความอดทนความทนทานตลอดตึงความทนอด ความสงบสงเงียไม่มีความช่มชื่นเบิกบานแจม่มใสอยู่ภายในใจเนี่ยเป็นฐานสำคัญที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความงามยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับยกย่องสากลทั่ ว, วไปต้องฟังทั้งหลายใตรูมโพทธยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี